วันนี้พวกเราทั้งหลายได้พร้อมจใจกันมาเพื่อมาบำเพ็ญกิจอันเป็นหน้าที่ที่พึงมีต่ออาจารย์กำพลทองบุญนุ่มซึ่งหลายท่านนับถือเป็นเกรยียนมิตรนับถือเป็นครูบาอาจารย์ เอช่วงเวลา40ปีของท่านจ่ายกำพลท่านได้เป็นตนเป็นครูมาตลอดในช่วงแรกก็เป็นครูที่สอนแต่ในเรื่องทางโลกสอนวิชาพระรศึกษา ซึ่งก็เป็นเรื่องขอ ง, ของร่า ง, งกายบริวารให้มีสุขภาพแข็งแรงแต่ในช่วง20ปีหลังหรือ20ปีสุดท้ายของท่านจะเป็นครูที่สอนธรรมให้กับผู้คนมากมายซึ่งหลายท่านก็ได้มา อยู่พร้อมกันณที่ดีแล้วอาจารย์พได้เปิดทางสว่างให้กับผู้คนมากมาย ท, ที่รู้สึกว่าชีวิตมืดมิดจะชี้ทางแห่งการออกจากทุกข์สำหรับผู้คน ที่ผทอะไรตายยากกับชีวิตหรือว่ายอมจมมุนกับปัญหาเขาได้สร้างความหวังหรือปลุกความให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่พบิดทางออกกับชีวิตมาก่อน หลายท่านก็เจ็บป่วยหรืรกรายหรือพิการอย่างเดียวกับท่านหรือบางท่านหลายท่านก็เป็นบุคคลปกติที่มีอวัยวะครบถ้วนทุนสังข์สองประการแต่ก็ได้รับอานิสงทางธรรมจาก อาจารยค์คำรมผบุคคล่นนี้มีมากมายนับไปทถ้วนทั้งพระทั้งนาชีญาจักรผูนเราต้องมาในที่นี้แต่สมัยเชื่อว่าเรียกอาจารย์กรรมผว่าอาจารย์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 อันนี้ก็สะท้อนถึงความร้อนขอบคนสำคัญแต่ในรายกันคำพูดไม่ขีดคำนี่แหละที่สามารถจะให้เนี่ยจิตอะไรต่างๆกับเราบ้ามากมายคำว่าอาจารย์ทางธรรม ตราดใจกับคนแล้วเนี่ยมันมีความหมายน้อยกว่าคำว่าอุปกรณ์สอนธรรมหรืออุปกรณ์ทำงพรรมาะอุปกรณ์สอนธรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเราได้เห็นธรรมะอะไรบ้างจากชีวิต อาจารย์ตะบูนขออาจารย์คำคนอาตมาคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือท่านได้สอนให้เราตอะหนักถึงความไม่เที่ยงหรือลิบจังทีวิท่านเป็นแบบอย่างที่สะท้อนให้เห็นความไม่เที่ยงขอ ง, ของสังขาร ครูไว้สิบสี่ที่มีนาคตสดใสวันี้คืนดีก็กลายเป็นผู้พิการที่แผนการทั้งอยากทั้งหลายในนาคทที่ได้วางเอาไว้ต้องยกเลิกจนสุดสิ้น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 แล้วในช่วงก็รอวันตาสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน น, นั้นได้เตือนใจเราไปจั่งดีว่าชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงวันนี้สุขสบายดีแต่พรุ่งนี้ก็าอาจจะเจ็บป่วยหรือพิการวันนี้เดินเอือไปไหนมนไหนได้ แต่ชั่วโมงหน้าอาจจะต้องคึ่งพาอาศัยรถเช็นถ้าว่าเราเห็นอาจารย์ธรคมนลสมัยที่ท่านยมีชีวิตอยู่และเกิดความไม่ประมาทในชีวิตเพราะตะนักว่าอะไรๆที่เลวร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ อันนี้ก็ถือว่าเราได้เรียนธรรมะจากอาจารย์กันพลแล้วอาจารย์กระพงยังมีุปกรณ์สอนธรรมให้เราตั้งหนักถึงความทุกข์ของสังขารความเจ็บปว่วยและความทีการขอยงท่าน มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตและรอจะเกิดขึ้นกับทุกผู้คนเพียงแต่ว่ามันเกิดา ก, ากับอาจารย์กำพคนก<อ>ค น, คนส่วนใหญ่ น, นั้นเกิดในขณะที่ยังเป็นเด ที่เกิดขกับท่านนมันน่าจะเกิอนใจเราให้ตนักถึงคำสองของพระพุทธอง์ที่เราได้สวดทุกช้าว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างยืนแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นื้นนาย ผู้คนมักจะไม่เป็หนักว่าความทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ถึงแม้จะไม่เป็นหนักอย่างน้อยก็พึงระลึกว่าความทุกข์เราข้างหน้าอาจจะไม่ได้ปรากฏกับเราในรูปของความพิการแต่ก็จะมาในรลกความเจ็บปวยอย่างนื่น มองจากไทยนอกอาจารย์กำพลเป็นคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบแต่จริงแล้วความไม่สมประกอบหรือความทุกข์ความเสื่อมเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเปียนแต่ จะแสดงโผออกมาอย่างชัดเจนเลยถ้ามีเหตุใจมากระทบความทุกข์นั้นก็แสดงโผวอย่างชัดเจนสำหรับบางคนความทุกข์นั้นคือความเจ็บปวยแต่สำหรับบางคนเมื่อสีิบปีก่อนความทุกข์นั้นคือความติดการ แต่้เราจะม่ได้จิตการแรอาจารย์จนแต่สมคบล่างกาเรานั้นก็เต็มไปด้วยความพร่องไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์กันเราไปต้หนักเรื่องอิสริยาบเพียงแต่ว่ามันไม่แสดงตัวหรือไม่แสดงปัญหาออกไปเห็นอย่างชัดเจนจนทันทีแต่วันทีบางทีมันก็แสดงออกมาบางครั้งจะ เลยจะสองแตกแล้วก็ต้องการไในกิวันตธรรมะหรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยจนกระทั่งไม่สามารถจะเดินได้ความเคราอหมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นหรือมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเกิดโรคภัยการเจ็บแลที่จริงมันแสดงตัววมันอยู่กเราตลอดไปเลยเพียงแต่ว่ามันรอที่จะแสดงตัวออกมา ให้เห็นชัดเจนนั่นเองในกรณีบางคนนั้นมันเกิดขึ้นในที่ท่างอาย4แต่สหรับพวกเรามันอาจจะแสดงตัวในวัยขันหน้าจะเป็นเมื่อไรก็ไดนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องตระหนักเมื่อเราได้เรียรู้ดูกระบวนการกับน อย่างรกตตานันตกันคนยังเป็นตัมกณ์สอนธรรมในอีกด้านหนึ่งของความจริงก็คือว่าแม้ความทุกเป็นสิ่งที่เราหนีม่พ้นแม้เราต้องลายไปพุทธิจุดความทุกอย่างเราแล้วมีความทุกเป็นดุลหน้าแล้วแต่เราก็สามารถจะออกจากทุกข์ได้แม้จะทุกกาย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 ว่าเป็นทางความรู้นั้นเอาจกความนั้นมี่าอาจารย์คนประสบกับใครที่ทำให้ผิดการแต่ลังจาที่เม่เข้าใจความจริงข้อไีน ทัานก็เราออกจากความทุกข์จิตใจเราออกจากความทุกข์เพราะท่านได้ตรหักว่ า, นน า, วา ท, ทีิการนั้นเนียมันพิการแต่การใสใจให้ได้ิการด้วยหลงคิดเส้นานาว่าเราพิการเราพิการการปฏิบัติธรรมทาให้เราจผลได้เห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยพิการแต่กา ความทุกข์บางอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครในคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต่างๆรวมทั้งต้องประสบความขัดแย้งด้วยนี่เป็นความทุกข์ที่แม้กระทั่งพระอรหันต์ทั้งรายก็ต้องประสบแต่ไม่จําเป็นว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องโศกร่ำร่ายรำพันนะ ความคุ่ันตรลายกายกับชีวิตสมัยนี้การคนก็ตกอยู่ในความทุกข์ใจที่ว่าแต่การปฏิบัติธรรมก็ทำให้ท่านได้เห็นว่าแท้จริงแล้วเป็นข้อความหลงที่ไปคิดว่า เราทิกานที่จริงมันไม่มีเราที่ทิฏกันทิฏกานนั้นเป็นแต่กายเมื่อเห็นความจิตชนิดจิตก็หลัจากการฟุ้พอรู้ว่ามันเป็นแค่กายทิ่ิกานสนใจไม่ทิฏกัอยู่แล้วท่านก็นับแต่นั้นมาท่านก็ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้ว่าความทุกข์จะพดาดฐันา์ร่างกายตลอดเวลาแต่ท่านก็อยางสามารถจะยินได้เสมอใครที่อยู่ใาา ก, ก, ากล้ชิดกับคนได้สนทนาท่านก็จะรู้สึกความสดใสในจิตใจของท่านที่เกิดขึ้นท่ามกลางบาปการ เมื่อได้เห็นท่านแล้วก็เชื่อว่าเราจะตระหนักถึงพุทธทาสิทธิ์ตอนที่ว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบพอที่จริงสุขนั้นก็อยู่ท่ามกลางความทุกข์นั่นแหละท่ามกลางร่างกายที่ทุกข์เพราะป่วยพอาิการแต่ ความสุขใจก็สามารถเกิดขึ้นได้มอใ น, นแง่มนความทุกข์ทำให้ท่านเข้าหาธรรมถ้าท่านไม่เจ็บให้ป่วยไม่พิการก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านก็จะเหมือนคููทั่ ว, วไปจบเสษียณเมื่อปีที่แล้ว แล้วก็ใช้ใชีวิตหลังกเกษียณเหมือนคนปกติอาจจะพินนถึงเรื่องการมีเงินการมีความสุอย่างลบโลกแต่เป็นเพราะความี่าการทำให้ท่านได้หันเข้าพาะธรรมะ่าเลิกจาการอ่านงสุธรรมะก็เพราะว่าสบายใจชวงคาวแต่พอหยุดอ่นานก็ทุกข์ใหม่ จึงเห็นความสัมพันของการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ใช่พระความพิการของท่านท่านก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนหรือว่าไม่มีโอกาสได้พบปะกับหลวงพ่อความเทียนกัทนที่ท่านได้ส า, สาหะเขียนจดหมายไปถึงหลวงพ่อความเขียน เมื่อ27ปีที่แล้วขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียงอันนั้นคือจุดล่มต้นสำคัญที่ทำให้ท่านท่านได้นะเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลพ่อคำเขีย น, ท, นที่ได้เ ร, เรียบเรียงเป็นจดหมายทำให้ ถ้าใจกำพได้เห<ช>็นแนวทางกับปฏิปักษ์หลวงว่าวเขียนได้ย้ำได้แนะว่าให้ท่านมันรู้สึกตัวนะมือที่พลึกไปพลิกไปพ ล, ลึกมาให้รู้สึกตัวรู้ว่ามือรู้ว่ามือที่เคลื่อนไหวใจเผลอชิดนิกไปก็ให้รู้ทันมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้น ก็แค่ดูอย่าเข้าไปอยู่มีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็แค่เห็นอย่าเข้าไปเป็นคำสอนที่ไม่ยึดยาวเก่งช น, นนี้แต่ด้วยความอุตสาหะของท่านอาจารย์กำพลก็ทำให้ได้เห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ราทิติกามันเป็นแค่กายทิติกา เมื่อรู้อาการท่านติการจิตก็เลาจากความทุกข์เพราะว่าแท้จริงแล้วจิตไม่ได้ติดการเลยแต่ที่นี้เปเพาความมึนทำให้ไปจิตนั่นแหละไปยึดเอาความทุกข์องการเป็นความทุกข์ของกูไปถ้าหามว่าจิตนั้นเพียงแค่ดูไม่เข้าไปอยู่ เพียงใจเห็นไม่ก็ไปเป็นก็ไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นที่กายก็เป็นเรื่องของกายใจใจก็ยังเป็นปกติด้วยเหตุ น, นี้ท่านจึงมีความสุขยิ่งกว่าคนมากมายที่มีสุขภาพดีมีอาการคโรนาีสอง จะว่าเป็นอะไม่ใช่เพียงแค่ทุกข์เท่านั้นที่พาให้จารย์สพลเขาหาธรรมแต่ทุกข์นั่นแหละที่เป็นปัตถุติย่างดีที่ทําให้ได้ท่านได้เห็นธรรมจารย์สมพลเคยพูดว่าต้องขอบคุณความทุกข์เพราะความทุกข์ทำให้รู้จักทุกข์และทําให้เห็นทางออกจากทุกข์ นั้นมันไม่เป็นหน้าไม่ได้ทำหน้าที่แค่ผัใกใส่เราให้เขาทำเท่านั้นข้อเดียวความทุกอย่างก็ ค, คือมันคือธรรมตัวมันก็คือธรรมที่ถ้าเราเราเข้าใจเราเห็นเราก็จะ อ, อจักทุดได้เดี๋ยวนี้ พ, พระเจ้าตรัสว่าทุกเรื่สิ่งที่ต้องรู้หรือกํำลังรู้คำว่ารู้ในทีนี้ช่งเรียว่าปริญญา แต่คนส่วนใหญ่นั่นเนี่ยเมื่อทุกข์แล้วเนี่ยแทนที่จะรู้แทนที่จะเห็นกับเป็นทุกข์ในจมัยที่หลวงพ่อทำคเขียเียนึงอาจารย์ทำผลท่านก็ยําว่าอย่าไปเป็นเห็นทุกข์อย่าไปเป็นผู้ทุกข์เห็นอย่างเดียวไม่ต้องเป็นกับอะไรทั้งสิ้น และถ้าราเห็ทุกข์อย่างจันแจ้งก็จะรู้ว่าออกเป็นเพราะความยึดติดถือมา่นในทุกนั้นแหะเป็นเพราะความไม่เข้าใจในความจริงว่าทุกสิ่งมันเป็นทุกข์มันทําให้เกิดความทุกข์ใจเมื่ออะไรอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไม่เป็นไปอย่างที่ยึดมั่นถือมัน่น อาจารย์ในในกำพลเคยพูดว่าความทุกข์เนี่ยทำให้รู้จักชีวิตถ้าไม่เจอทุกข์หรือไม่มีทุกข์ก็ไม่รู้จักชีวิตคําว่ารู้จักชีวิตเนี่ยถ้าท่า น, นมีความความบ่งท่านมีความหมายกว่าคือการเข้าใจหรือการทำความติชีวิต พราะชีวิตเนี en s okay. <S ่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นตือมั่นได้เลยแต่เฉพาะความทุกข์นั่นะที่ทาให้แต่เพราะความลง้นแหะที่ทําให้เกิดความยึดมั่นถื้มันทั้งเป็นเห็นทุกข์และทุกข์ในที่นี้นี่ก็คือความทุกข์ใจส่วนความทุกข์การนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะหนีปลดได้เป็นเพ่าะมันจะเกิดขึ้น น้อยมากความเป็นอุปกรณ์สอนธรรมอาจารย์กับคนเนี่ยยังทำให้เราได้ตระหนักอีกว่าธรรมะนั้นเนี่ยมีอานิสงส์มากสามารถจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้ แต่ไม่ใช่เป็นสุขอย่างที่เราเข้าใจเป็นสุขที่เหนือสุขถ้าไม่พบธรรมอาจารย์กั่คนก็อาจจะยังเต็มได้วยความทุกข์หรืออาจจะไม่มีชีวิตจนเป็นฝันนี้ไปแล้วหลกพ่อความเขียนเองนะครับ ท่านเคยพูดว่าจะทำได้ไหมถ้าท่านไม่ได้มาทางนี้คืมาทางธรมนะท่านจะยื้สร้งเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ทำอะไรเนี่ยต้องทำด้วยความยิดมั่นถือมั่นจะทำอะไรต้องไม่ให้น้อยมากคนอื่นต้องให้ดีกว่าคนอื่นจิงจะไม่ได้ความเครียด ไปด้วยแล้วก็เจอโรกภัยแค่เจ็บแต่เป็นเพราะทำก็ทำให้ท่านสามารถจะนำพาชีวิตจิตใจออกจากความทุกข์ได้ใครที่ได้รู้จักได้สนทนากับระจารย์บางคนอาตมาเชื่อว่าจะมีความมั่นใจนล้วว่า ทนี่สามารถจะช่วยทำให้ออกจากทุกข์ได้รวมทั้งรู้จักสวยโอกาสจากความทุกข์นั้นนี่ให้เป็นประโยชน์จะไม่ยอมทุกข์ฟรีๆนะพ่อความเลียนในผู้สมัคว่าอยากทุกข์ฟรีเพราะทำนั่นแหละจึงทำให้อาจารย์กับผลนี่ิการเป็น คนสนใจพิการที่เป็นก็คือพอพิการกายปุ๊บใจก็พิการด้วยอาจารย์งานคนพิการเป็นจึงพิการแต่การธรรมะในเด็กเพราะเราจะกันคนเนี้ยคือความสุขตัวสติอันนี้เป็นธรรมที่มีพลังภาพ ที่ทำให้ถอนจิตออกจากความทุกข์นั่ก็ความสุดตว น, นีช่วยรักษาใจให้เห็นไม่เข้าไปเป็นให้เปยแค่ดูนะไม่เข้าไปอยู่กับความทุกข์และเพราะการเห็นด้วยใจจะเป็นกลางจึงทำให้เห็นความจริงเห็นธรรมและไม่เห็นธรรมยางลึกซึ้งก็สามารถจะออกจากทุกข์ได้ ถ้าเราเรียนจากจังกรมคนถึงวเวลาเราป่วยเราก็จะป่วยเป็นไม่ป่วยคนจะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อความป่วยก็ป่วยเป็ น, ปนก็คือป่วยแต่กายใจไม่ป่วยป่วยอย่างไรใจก็ไม่ทุกข์นนี่เป็นต้องความหวังที่ให้กําลังใจเราแล้วก็เป็นสิ่งท้าทายด้วยว่าเราจะทําได้ไหม แต่ถ้าเราทำไม่ได้ความคุกกว็รอหรือเบื้องหน้าหรืออาจจะกำลังครอบนำย่ำยราอยู่ในขณะนี้ก็ได้สุปกรรสอนธรรมในความมายพระจคากอัตมาช่วยยังหมายถึงความจริงที่ว่าแม้แต่คาลวาทเทก็สามารถจะเข้าถึงธรรมหรือบรรลุธรรมได้ ธรรมะนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะบางชนิดแม้กระทั่งฤๅษีผู้ครองเรือนแค่ถึงสี่ห้าก็สามารถจัดบุญทำได้เพราะว่าธรรมะนั้นไม่จำกัดกับคนบางกลุมบางประเภท่านั้นเมื่อกี้เราได้สวดนะคร อภิธรรมมีข้อความนว่าผู้ควรแจ่มรคนิพพานและผู้ไม่ควรแจกมรคนิพพานผู้ควรแจกมรคนิพพานนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพระสนุ่งเรืองหรือผมขาวเท่านั้นจะเป็นหญิงหรชายเป็นเครื่ลายคารวาก็เป็นได้เพราะความเป็นพระธาตุเนี่ยอยู่ที่คุณธรรมภายใน ในชาพัสตกาเนี่ยมีอมมาท่านหนนะึ่งชื่อสันิติออมมาเป็นคนที่ทไม่สนใจธรรมะเลยเอาแต่อยู่กับโลกแล้ววันหนึ่งก็มีโชคเพราะว่า ได้โอกาสาความร่าที่วั น, น, นพระเจ้าประเสริฐโพสสนบำเหน็จคุณงามความดีให้เป็นพระราชายเจ็วันแทนที่จะใช้โอกาสนั้นทำความดีสร้างคุณประโกับมนุาชนก็เอาแต่สนุกสนานมีการเสดมีการบันเทิงเริงนุมมม่งมหรรย์คามบันเทิงตลอดเจ็ดวันเคืน จนกระท่หญิงฟอ้อนลำคนที่เป็นที่ปวดตายก็เสด็จเสียชีวิตนะตายขาที่เลยทนะุวนเลยมากเราจะเดเสียใจมากไม่รู้ว่าอะไรจะบันเทาความเศร้าโศงและก็ถึงไปไปหาพืชเจ้ารับบรรทัณตีนี้ไปแต่เมืนน่อมีความทุกข์จึงต้องไปเฝ้าพืชพระองค์ พระองค์ก็แสดงครับให้เลสเห็นความทุกข์ของความพัดพลาว่ามันเป็นธรรมดาน้าตาที่เส็นเสื่ว่าความพัดพลาดมีชาติและวชาติเล่ามันเท่ากับมหาสมุติทีเดียวแล้วก็ได้ชี้เห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับอะไรกิเลสแล้วก็ให้ความว่ากิเลสที่เคยมีเคยเคยครอบงำใจต้องขอให้ลิแล้วก็อย่าให้มีกิเลสใจลงเหนื่อย แล้วเตรียมมาพิจารณาทางเขาบรลลธรรมเป็นภาระแต่คงเป็นเพราะว่าได้เหนื่อยล้ากับการบันเทิงเรืมรงมากก็ถึงแก่การเสียชีพในเวลาไม่ไกลในวันันพระสงฆ์ก็ได้สอบถามพระวิพเจ้าว่า จะถือว่าเสด็จมมาแล้วเนี่ยเป็นคฤหัส์หรือเป็นสมาณพาวท่านได้ปรลุธรรมเป็นพระรังแกเป็นพระุรุษเป็นพระรัาที่เป็นคารวะแต่พระสงฆ์ก็สงสัยว่าจะเรียกท่านว่าอะไรผูจ้กาก็ับว่าให้เรียกชอบเป็นสมาณะโดยการตัสข้อความว่า บุคคลแม้ประดับประดาประดับประดาหมายว่าแข็งมีเครื่องประดับดาร่าาแต่ประพฤติตนสมัำสมอเป็นผู้สงบเป็นผู้เชี่ยวธรรมปฏิบัติอย่างประเสริอวางอาจยาในสัด์ทั้งหลายท่านคุ้นั้นเรียกว่าเป็นคระเป็นสมณะเป็นภิกษุ คำสงในพระตุณห์ไตรไม่ได้หมายถึงผู้ที่ขบเลยแต่หมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพารยียกคนจะเป็นพิกษุจะเป็นคฤหัสถ์ก็ถือว่าเป็นสงในพระัตุณห์ไตรเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้พิจารณาถึง ชีวิรบแบบปาการผลก็อยเราได้กนั้นว่าความเป็นสมณะความเป็นพิกวุนั้นมันไม่ที่เครื่องเรื่องหกและการเข้าถึงธรรมนั้นก็อยู่ในวิสัยของทุกผู้คนนะเลวงพ่อเขาเขียนได้เขียนในจิตมาประชาการผลว่าศาสตราที่แม้ทุกการแต่แ่ก็ยัมีความสุตวอยก็ถืว่ามีหนอยพุทธะและหน่อยพุทธะนั้นเนี่ย ก็สามารถที่จะบำบูร์รเยียงงอกนาจนเป็นโพต้นใหญ่หรือ ว, ว่านะสู่การตัสนสุได้อันนี้ก็เป็นธรรมะที่เราคุ้จะได้สดับรับรู้เมื่อเราได้มาศึกษาทรรมกับอาจารย์คน เมื่อได้ขอให้เราได้พิจารณาและอาศัยประโยชน์จากอุปกรณ์สอนธรรมซึ่งบัดนี้ก็ได้มาทอดร่างอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดหรือยุติในการสอนธรรมนะหมดลมแล้วจากคนก็ยังสอนธรรมด้วยสังคารของท่าน ว่าถึงสุดแล้วก็ต้องตายจุดหมายรายทางก็คือเสืงมตะกอนก็ไเราได้นะที่จรณาธรรมที่ท่านกำลังได้แสดงกับเราอยู่เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราบำเพ็ญเทียนในการปฏิบัติธรรม ตอนที่จังคนได้รู้ว่าท่านเองกำลังอยู่ในวาระสุดท้ายเพราะรรายท่านก็ไม่ได้พิจดกงังวลอะไรและท่านได้แนะนำจากจาการปฏิบัติของท่านเองซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยท่านบอกว่าให้ยอมรับความจริง ยอมรับความจริงว่าเป็นโรครายไม่ต้องตีโพยตีพายอย่าบ่นวายๆหรือข้ามควรว่าทะกลายมาเป็นชั้นเพราะว่าใครๆก็เป็นได้ทั้งนั้นประการที่สองคือยอมรัความเป็นไปเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นโรคราย และพยายามรักษาเยียวยาแต่ถ้ามันไม่หายเราก็มาลดลงมากขึ้นความเป็นไปอย่างที่รู้สึต้องยอมรับเมื่อรักษาแล้วไม่หายก็ยอมรับไม่หายแล้วก็ยอมรับว่ามันมีความตายเป็นตัวหน้าสุดท้ายคือยอมรับความตายเมื่อความตายมาถึงก็ไม่ต้องตีโพธิภา ยอมรับความจริงการยอมรับความจริงเนี่ยมันเป็นกุญแจที่ช่วยกดเครื่องใจออกจากความทุกข์ได้ถ้าเราไม่รับความจริงเราก็จะดิ่นรนต่อสู้ขัดขืนและการที่เราต่อสู้ขัดขืนนี่แสร้างความทุกข์ใจให้ยิ่งกว่าโรคร้ายสุดโรคร้าย มันทำได้แต่สร้างความทุกข์ให้กับร่างกายแต่เพราะที่รนต่อสู้ขัดขืนไม่ยอมความจริงความทุกข์ใจจึงเกิดขึ้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะโรครายแต่ทุกข์ใจเพราะใจมันกระทําซ้ําเติมตัวเองถ้ารักตัวเองก็อย่าซ้ำเติมตัวเองถ้าจะทุกข์ก็ให้ทุกอย่างเดียว คือทุกกายอย่าให้ผิดใจด้วยและถ้าฉลาดกันนั้นก็อย่าทุบ ก, กายที่ฟรีอาศัยความทุกกายนะนะั่นแหละมาเป็นต้นสติสอนธรรมจริงอุปกรณ์สอนธรรมนะมันมีอยู่กับเราทุกคนแล้วความเจ็บความป่วยในตัวเราในร่างกายของเราในอุปกรณ์สอนธรรมอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นในใจ มันก็คืออุปรกรณ์สอนธรรมเราทั้งหลายมีอุปรกรณ์สอนธรรมอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นอย่าไปคิดว่าอุปกรณ์สอนธรรมวันนี้จะถูกไฟเผาคลานจนเลิศเพียงแค่เท่าแลงขางอุปรกรณ์สอนธรรมยังมีอยู่มีอยู่กับเราติดตัวเราไตลอดไปเลยขอเพียงเราเอาคําสอนอาจากย์นคนผละคระูบาอาจารย์ต่าตงๆเอามา เปื่งเคลืวันนี้เรามาทำหน้าที่ต่อสรีระของท่านอาจารย์คนแต่หน้าที่ต่อคําสอนของท่านยังมีอยู่ก็ขอให้เราได้ช่วยกันบำเพ็ญหน้าที่ทั้งสองไปให้คบทวนหลังจากวันนี้ไปเมื่อภารักิดต่อ สรีระของท่านก็เป็นอนิจติแต่ว่าหน้าที่ต่อคคำสองท่านยังมีและรอการรอความตั้งใจความทามาเปลี่ยนพยายามของเราก็หวังว่าทุกท่านจะได้เกิดแรงบันดาลใจ จากการที่ได้มาเรียนรู้ได้มารู้จักได้มาสัมผัสกับท่าทางกรรมผลให้ช่วงเวลาที่เราได้เคยอยู่กับท่านได้พรปะสัมผะสกับท่านมีความหมายั่งยืต่อไปในอนาคตอย่าให้ยึติเพียงแค่ไปประกองการสิ้นลงท่าน มาก็ได้กล่าวทำบรรยายพอสมควรแต่เวลาก็ก็ยุติให้เพงท่านี้ขอเจ ร, ริญพรลำดับถัดไปขอเชิญอาจารย์หอมนะครับขึ้นนำกล่าวคำถวาย่ทนท่านาทานสงครับ